พระธรรมเทศนาโมโหสดจดกจอมปราแทงมิถิลาผูก17เจฟังแล้วเกิดพระญาปัญญาปราฮึชาลาดเรียบเดียงให่จากต้นบับปืนเมืองโดยป่ออินสมใจ ช, ชมพูปรเรียนทรพวกปริยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจวัดเจียงาย นามมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะโสานุเกวะโตจุลาหนิงวันติตาเอวะมหาติ สาธุดุราสปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจใหญ่น้อยใจไฟห้อยตั้งบุญอันจักหนุนสงยูได้อยู่เจอย้านกิจการน้อยใหญ่ลาเวนไว้วางลาปากันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรม จุงดาจมติดต่อตามบาดคอบาลีว่าอนุเกวัตโต ด, ดังนี้เป็นต้นบั ต, ต <c oughs> นี้แดเตอสซานุเกวัตโตสว่วนานุเกวัตผู้ฉลาดกอภิวัตอันจุลีบอกเ ต, าลลต้าจุลณียศใหญ่ตามนอพระติไวจะสอน ว่าคาแดพระผู้ทนที่ราเต จ, จะอาจหรือชาเมืองมีทิลานี่ใสจักภาพใดสันใดข้าหันใสแจ้งทีบ่มีตีสังกาย้อนอยู่มาแต่ก่อนหูจุบ่ลไปใดคือตัดใดเลิกตื่นหูไฟปื้นวังทานจักเคหันสวกา อยู่พอมดาแดนได้พระตูในใยไข่ายตางจักไปแดะนีข้าหูดีเสียงทานไขจู่ดานปาราขอผาญาเจ้าฟ้าปงฮือข้านำปนเข้าพระจนรบภาพกินขานาบเตจิงเตียงสมขาดิ่งไฟห้อยบ่อการก้อยดีลี ตาโอจุลนฟลีฟังแล้วใจฟ่องแผ่เจยบ้านจริงมีองค์การปุ่งขาดอนุญาตวางปั่นฮือตัวมันเป็นใหญ่น้ำไผ่ใต้โยธา มีนำนาบัวหมเข้าภาพสูบัดเิ้วอนุเกวัตริ้วบ่อจ้านำพวกกาโยธาญยาธาราไปไกลตีเคือเลึกใหญ่หุ่นเนื้อ จักเทเจือเป็นหมู่บังกอนโยสะสนบ่อกรีปนไผ่ไตขามคือเล็กใหญ่เร็วไวเศนาในมวลหมู่บ่ออดหูบาย้องจมน้ำตายหลยแลเป็นเยื่อแก่บังกอนจักเทซ้อนสะซ้องน้ำแตกต้องสะสนจุมรีปนเหลืออยู่กัวหมูหมูบำวาย กอพันภายริพาวนี้จากดาวสักนามอนุเกวัดรพรำหนุ่มเนาก่อแสงไว้เต้าเจ้าจุลนีว่าเจ้าปุรียศเงาร้อยเอตเต้าเป็นธาตั้งโยธาลายหลากอันเต้าหากกวางตั้มเขาน้ำเข้าผาปรบขานา้ำเพียงใจบ่มีภัยสักผู้จักจืนสู้ยินดี แสงพระนีปายก้านมาจุดานจูปายไผบ่อาไมา้จ่วยเต้าฮือผับดาวปฐวีย่อนเจ้าปุรีหน่อยใหญ่ตั้งไผ่ไตรีปน รับสินบนมากเต้าจากมโหสดเจ้าเสนาบดีทังแก้วมณีจอยโจตรัสบีโรดเจียงคานเกวัดอาจารย์ผู้ใหญ่มันก็ได้นํา ม, มา ตนราชาหยดเหย้าใดผากดาวนี่ไก้มันยังไปตานต่อแสงจุ่ล่อขึ้นหลังย้อนมันหวังไขใดยังกาจ้างใหญ่ทมนา <c oughs> กันตนราชาเจ้าฟ้าบ่อเจียค่าไขปั้นจุงเร็วปั้นรีผพาวร้องเอื้นเป่าโยธาตั้งผาญามวนหมู มาอยูุ่มกันเต้าจักหันแจ้งทีบ่มีตีสังกาเหตุของนานาเขื่องใจแห่งเต้าน้อยใหญ่ทั้งลายมีจื่อมะโหส่หมายแม่นมันติดอยู่หันเป็นทาราส่วนพ ญ, ญาจุ น, นิราตฟังถอยว่า ท, ทุนสาร ก็มีองค์การรีพาวร่องเอื้นเปล่าโยธาตั้งพาญามวนหมู่มาพร้อมอยู่เรียวปันนอกคุณท่านหนุ่มเน่าหูว่าเต้าเจ้าจุลณีอาจยามีปงขาดถือเต้าที่ราช น, นานาปากันมามวนหมู่พร้อมน่าอยู่ยามใดก็อาทิตย์ทานใจไปรอด ยังเืีองยอดอลังการแห่งเต้าผู้บ้านหนุ่มเทาหื้อจือเจ้าจอมควันผากดหันที่แจ้งติดจู่แห่งอลังการกันต้าผู้บ้านหน่อยใหญ่มาพร้อมไข่ตามคำเจ้าห่อคำจุลนิราัตาสวาสดปมาพอพ้าาหน่อยใหญ่อันมาแวกไกหน้ำ พ้องใส่ข้าจมหัวคำเลิศแล้วพ้องถือดาบแก้วสสนีกันใจพ้องใส่ธรรมรงใส่บอส่อเศร้ามีแต่จือเจ้าบุญพายหากติดหมยเสียงไข่ดังอนุเกวัดใดทุนสายินเครื่องกาลายหลากบอ่อจัางปากกำไดหอระไทยไม่มมด ข้านิงขวาดไปมาใจเววาสะต้านกึ้นผ่านยานกวัวตายย้อนเต้าตั้งไหลหนุ่มเท้าเป็นฝ่ายเจ้าเสนาบดี <c oughs> กันร้อยที่มารอจริงถามยอดใจร่ามคืออนุเกวัดพรมหนุ่มเนา ว, ว่าจักเห่าสันใดมันแสงไข่ตอบทอย ว่าคาแดดเต้าโอนยอดซอยเนือหัวอันว่าตัวคาไทยคำอยู่ใกล้อาสาแม่นศึกมาต่อหน้าก่อจักต่อตอผาผจนตายเต้นตนเต้าไทยเพื่อหือเต้าใด ส, สดสดีย้อนศึกมีมักเต้าวังแวดเฝ้าจูไปแม่นมีริทที่ไาเ้เลือแล ย่อมบอกแป้จุมเข่าสองคนเราเจ้าคาเตียงความนาเป็นผีกวนจักหนีรีพาวคืนสู่ดาวเวียงใจกันอยู่ไปเนินจ้าบ <c oughs> บ่ล่ำกว่าสามวันเจ้าห่อจันวีเตหราชกับนักผาตเสนาบดีผู้พังยามีจบจอดหู้แจ้งรอดสัปปการ จากโยกรียบปนหารนวนมากออกมาจากเวียงใจเขามีใจหัดเท้าเตียงคาเต้ า, ตาเมื่อมอนขอเตาอ้าผู้ทอนยาจ้า ข้าห้างมาสบปันแล้วปะกันดีกว่ายำพวกกาโยธาตังา้งพญามวนหมูพงลับอยู่นอนดีเตา่าจุลนียดใหญ่บ่อไข้อุบายก็วางหมายปงขาดอนุญาตบัดเดียวมันก็เร็วบ่จ้ารีบห้างมาสองตัวมาเจ้าเนือ้อหัวนั่นใส่เป็นมา้าใหญ่เร็วไว นิงจักกนิงไปปลายดาบหูกว่าขึ้นหลังตัวหนึ่งฟังคำเจ้าหูปอกเต้าถอยหุ่นกันรีปบนหน่อยใหญ่ลับเมียนไขดีงามหนุเกวัดลำลุ่มดาวก่อไวเต้าเจ้าจุลนีว่าบัดนี้ยามดีมารอดคอเต้าหยอดราจา อย่ารอร้าเดินจ้าขึ้นขี่ม้าบัดเดียวเพื่อบอกเร็วขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองลังเต่าได้ฟังมันกล่าวรีบฟังเฝ้าภายพัน ขี่มาปั่นบอจ้าออกก่อนนาบาดเดียวอนุเกวตรีโอกาแกวันขี่วาเล่นตัวไปเจ้าห่อใจนันไซขี่มาใหญ่เร็วไวหญิงจักญิงไปไปนาบอหกวกาขึ้นหลังกันไปถึงยังไปนอกดาป้นขอกสีมา กอละมพญาเจ้าฟ้าไปไปนาเดียวได้ตนคำใจผู้แก่นก็ตีมาเล่นขึ้นมาถึงตีโยธามวลหมู่พงลับอยู่นอนดี มันรีบตีกองเปล่าไปไข่ดาวอาดาเป็นสัญญาร่อนไม่ว่าบัดนี้เต้าไทยจุลนีได้ขี่ม้านีขึ้นสู่ยังตีอยู่เวียงใจจุงเร็วไว้รีพาวเล่นจอมเต้าไปปั่นกันปะกันเดินจ้ามาโหสดจะคาสุตายมันมีรีปนไหลลำหมก จักยกออกมาฟันจุงปะกันเล่นกว่าเอาปลายนาเป็นไมรีพ้นไหลามาเต้าดังเต้าเจ้านานาฟังสัญญารอนไม่ต่างกังไก้เรร้นเล่นสะสนสะสูปอบอ่บงเป็นไผยพื้นขั่วใบเขื่องใจสัตว์ขวางไว้เป็นแถว แม่นผ้าเขียนแอวตัวเก่าบ่อขังเหล่าติ๊ตัวต่างคนกลัวและยานต่างซาตานพระนีละัวดีเสื้อผ้าตางังเถียงง่าอลังการเงินคำคานบาไตาตั้งดาไม่ปืนไฟท่าหนูใจมกนาทุกเรียราดนำนําจุ้มโยธาต่างดาวร้อยเอตาเป็นไม้ เล่นนีตายจูผู้บ่ข้างอยู่คนใดเล่นเร็วไว้รีภาวจอมหาเต้าจุลณีกันร้อยทีแจ้งขอจิงไปรอดอุตระปัญจาลานากรก็มีฮันและนะา โหนาติวะเสกันวันลูนรุงเจ้าคนหนุ่มเทายิ่งใจรีป้นลหลมวนหมู่กาอันอยู่ในเมืองโหวาโยธาเรื่องต่างนาเล่นดีกว่าให้หนจริงเรร้นฝังฝ้าออกจากดาวเวียงใจหัน ข, ขั้วใบเรื่องใจเงินบาทไตทคำคา ตั้งปืนยาหมกหน้าตกเรียราาเป็นสายมีมากลายเดือแล่เล็งพอแต่สุดตาก็เข้าไปจ่าบอกเล่าฮแก่เจ้าบนมี <c oughs> นอมูนียอดซอยก่อตานทอยกำไปว่าของอันใดก้าใหญ่เป็นของเต่าไทยแดนไก่เฮเร็วไวรีพาว น้ำมาถวายต้าเราราส่วนของเสนาขุณเกา้าของเกวัดเทาอาจารย์ฮึโยทหารน้อยใหญ่เก็บมาไว้ร่วมกันน้ำมาปัน่นภายแพ้ยืนฮอแก่ตัวเราส่วนของเขาภายใต้คือเครื่องใจนานาตั้งวัฏถาแผ่นพาน และเขื่องงาอาลังการเงินคำคานการยิง่งัาปสิ่งลวงลายือยิงใจไพราตังอามา์โยธาสังรมมาเก็บไวเอาใจใจตามใจเจ้าเบียงใจดุ่มเท่าเย่ะตามเจ้าไข่คำเก็บเงินคำบาตายสิบห้าวันไข่เป็นไม้ ได้เงินคำลายนักสอดนับล้านโกดเป็นธาราส่วนของนาณาห น, น่อยใหญ่จุม่มไผ่ไตรีฝนช่วยกันคนบ่พนมาสู่บอนเกหาสี่เดือนมาคขายรอจริงเมียนจอดบัวรบมวลกันกาละกวนมาไข่หนอพระติวัยทรงธรรมก่อเอเงินคำลายหลาก อาลังการมากลายลามแก่อนุเกวัดตาพรมหนุ่มเนาเฮมังเต้าทมนามียศถาสักใหญ่สุขพร้อมไข่ขึ้นวัน คนเมืองนั้นอดเอาย่อคุณเจ้าดานาเมืองมิทีลาใหญ่กวา้างไพ่บ่ออ้างเครื่องขี่เขาของมีมาเก่ายิ่งกว่าเก่าเดิมอ่อนก็มีหันะนะ่นแลยนาทีนี่จากวันดานาจะเล่าถึงเกวัดเทาอาจารย์ไปถึงสถานแห่งห้องคงเขตต้องเบื้องัน ยังมีวันหนึ่งเหล่ามันตื่นแต่เจ้ายามดีรีบคัดสีอับนำจำราพมมดใส่แล้วก็ไปแยงแว่นอยู่บนแต่นหิมฟ้า มันเคืองกาหลายหลากหันหนาภากเป็นแผมันสั่นแลจะใจยิ่งโคตไม่นำนาว่าแผลนีนะแต่ก่อนก็บอหันหันมีมะโหสเสนาบดีนันไซเฮือเกิดใดบิมากวรพิจารณาสั่นสองหายัางจ้องอุบายขายัางใจหนุ่มเน่า กับเต้าเจ้าวิเตหราากันภาญาวิเตหราชกับนักผาตเสนาโบดีดับอินทีมวยหมดผู้จริงเสียงขอดความอ้ายมันจริงพันภายรีเผาไปไว้เต้าจุลนีว่าขาหันอุบายดีอันหนึ่งใสเตียงหืสมไฟคนิงใน ้าบอกวกวนไข่เกาหูเฮคนหูลายหูขอตนบุญจู้ที่ราดขึ้นผาสาดไปบนอย่าเฮอคนน้อยใหญ่ได้อยู่ใกล้เห็นกันอย่าเฮอไัยหันแลลหูขาจักา ก, กาูตาหมีเต้าจุลาีที่ราดปังถอยวาดกำ ม, มันก่อเรียวปั่นไว้วง ขึ้นสู่ห้องผางกาสูงเลือตาเจ็ดจันนั่งอยู่หันไปบนบ่มีคนลีซอนมีแต่นกน้อยอ่อนสาลิกาอันผาดยาดยศใหญ่ใดเลี้ยงไว้เดิมอ่อนมันจับก้นอยู่ไกลแต่นเต้าไทยตั้งวันกันเจ้าหอจันนั่งแล้วบนแต่นแก้วปั่นลังกา มันทูนสารขับไว้ว่า้าแด่เต้าไทยภาปาราอันว่าราจธิดาอ่อนน้อยแห่งเต้ายอดซอยภูมี <c oughs> คือปัญจลจันทีน้อยนาดพันธพิลาดเอาใจคาค า, านิ่งในสั้นส่องก็หันยังจ้องอุบายคือหือใจผู้ฉลาด จบสิปัสสตระบัมแต่งลำนำข่าวจ้อยบทบาดซอยซอยย า, า, าวหืบเบาวศร้ไกลๆขับร้องไควาปา ร, ราวาราทิ่ด า, าข้าวแห่งตันเต้าจุลนีจือปัญจาละจันทีหน่อยนาฏพันนาพิลาเหลือคน ด, ดังดังบนฝากฟา หลวงแหลงลาลวงาบามีบุญดามากว้างไผ่บ่ออ่างเตรียมตันเจ้าหอจั น, ยนรยศเงาร้อยเอตา้าหอฟาง บ, อบอ่อเปิงนางหน่อเน า, น า, นาจักเป็นเก้าเตวีเว่นเจ้าปุรีาราวีเตหราชเจ้าภาสาัดมิทิลาควนลงังโซฟาอ่อนน้อยเป็นกูหอยเตวี เจ้าปุรีตนป่อขึ้นใจต่อตั้งวันจักยกจอมปันลูกเต้าแก่เต้าเจ้าวิเตหาราชาเป็นสัญญาสืบซอยติดสืบพอยไม่ทีตามป่าเวนีแบบเบารอยรียดเก่ากองทำกันแต่งลำ้ำพร้อมไข่สมดังไฟคานิ่งไม้ เฮือนิงใจผู้ฉลาดจ้างก่าวถอยวาดกำไยเฮียนเอาไปขับร้องหฮือไข่ห้องธานีตั้งเครื่องดิสีตีเป่าผ้าสมเข้าเป็นจุมหฮือคนหุมไปหอยตั้งใหญ่น้อยยิงใจสือไปลายตัางดาวถึงเขตเต้า ว, วิเทหราช เจ้าปาราทิราชหัวแจ้งขวาดความใดเตียงมีใจใครใดยังนาง่งนาทไทยชมสีถึงยามดีมารอดคาจักสอดไปหา แสงไข่จาบอกเหตุกรรมรถเขตดวันยามตามกองง้มแบบเบารอยรียดเก่าเดิน ม, มาฮือพระญาวิเตหาราชกับนักพาตเซนาบดีจากปุริเตต้องมาสู่ห้องเมืองเราย้อนใจเมาหลิงลูไข่ได้นั่งกินกู่โซภาจักฮือโยธาหน่อยใหญ่ เข้าหยับไหวบัดเดียวแล้วรีบเรียวคำคาเฮความนาวามว้เตี้ยงสมมัยคกิดไว้บ่ อ, อนใดพิพันเจ้าหอจันจุลนีราชฟังถอยวาดเกวัดอาจารย์มีใจบ้านจ่นจอยฮแต้มตามถอยกำมันรีบเรียวปันปงคาด คือผู้ชาลาดลำนำแต่งยังกำบาทซอยตั้งข่าวจ้อยอซยาวย่อยัอยงเสาลูกเตาคือนางดอก่าปัญจาละจันทีคือเจ้าูุรีไผ่ไตครับร่องไข่ปากระกอมีฮันแหละนาะ ทัดนันไปบอจ่าตนเจ้าฟาจุลนีอาจยาวิปงขาดใฮือูชาลาดครับระบำมีหน้านำหน่อยใหญ่พ่อทวนไข่ยิงใจว่าสู่ตั้งไลบ้วนหมูจุงไปสู่เมืองมีทีลาแสงแต่งดาขับร้องไปไข่ห้องธานีกันร้อยทีเตียงคอนคนจูบ่นนอนใน ตนไม่ได้ป้นหมู่ฮือขึ้นสู่ไปบนกำบางตนลีซ่อนอยู่ที่บนเฟบังแลอ่อขับยังบัดซอยก่อนเข่าจ้อยว่าตีเฮือลมตีปัดวาดไปด้วยอากาศเวหาหยับสกุานกใหญ่เอาเด้งห้อยไว้ขอมัน เื้อบินพันเป็นหมู่ขึ้นไปสู่เวหนฮื้อเด้งดังบนเมฆฟ้าได้ยินรอดนาเวียงใจกันเจ้าหอใจที่ราดกล่าวเสียงขาดสุดปลายคนยิ่งใจผู้ฉลาดจบบทบาทลำนำก่อลาเจ้าหอคคำกาผาก ออกไปจากอุตรระปัญจาลนากอนกันเที่ยวจอดไปรอดเมืองแก้ญยอดวิทีลาแห่งพญาวิเตหราชเขาก็โอกาสจากใครเ้าเวียงใจน้อยใหญ่หูแจ้งไขขีด่าแล้วก็ดานยังบอน เพื่อขับวฟ้อนลำดำขับระบำข่าวจ้อยก่อนบาดซอยวนใย ย, ย่อลูกใส่ใจหนุ่มดาแห่งเต่าเจ้าจุลณีเ <c oughs> จ้าปุรีน้อยใหญ่มาแวดไกเ่เนืองดันต่างใจวันไขรพ อ, อยังดังนอน้องไวต่างจะใครเรล่าเศ้าไปไข่าดาวธานี กันร้อยที่มาหลอดคนยังจอดนอนในต้นไม้ได้สูงใหญ่อันมหมายไว้ยมบันก่อปะกันมวนหมู่ขึ้นไปสู่ปายบนกำบ้างต้นลี่ซอนอยู่ตีบนลเฟยบังก็แอคับยังข่าวจ้อยตามเต้าหยอดซอยปันหมายนกตั้งลายตัวใหญ่เอาเดึงห้อยไว้ขอมัน ไลหลเฮิบินพันไวหววาดขึ้นอากาศเวหาสายลมมาถีบตองดังไข่ห้องไปบนจุมหมู่คนไผ่ไต้บ่ไขตามมี <c oughs> ก็ว่าเสียงตุริญานนทีมีกองมาจากห้องเวหาเทวาดาอยู่ฝาสักเชนังนอนรั้โสภา เจ้าป่ารามวนหมู่ต่างจินสูเจยบ้านว่านังนงคานดอนเาควรนแก่เต่าเจ้าป่าเขาต่างจาต่อถอยมีบ่น้อยไหลผักการ บอ่บอปอนานแต่ใสเจ็ดวันไข่เป็นหมายคนยิงใจผู้ชาลาดจบสิบศาสตรลำนำมีนานำมวลหมู่ก่อขึ้นไปสู่โรงกันอาพิวันก้มเก่าไว้เต่าเจ้าวิเตหราชาข้อคุณนาปงขาดอนุญาตปั่นหมยให้เขาตั้งหไหลยใหญ่น้อย ได้ขับร้องซอยลำนำเทววายเจ้าห่อคำยอดเงาตนภาพดาวธานีเจ้าปุรีวีเตหาราชก็ อ, อนุญาตบัดเดียวเ <c oughs> ขาก็เรียวขับร้องดังไขห้องโรงกันว่าลูกจอมควันอ่อนน้อยแห่งเตา้ายอดซอยจุลณีจื่อปัญจาละจันทีน้อยนาด อนลาพีลาดเหลือใจบ่มีภัยเพียบได้พับโลกไตโล ก, กาแมนต์เตวาดาจุห้องบ่เต้านางน้องชมสีคนเครื่องขี่โศกไม่กันว่าได้หันนาง ตุกกาะจางตกถอยใจจืดจ้อยเจยบ้านคนตุกผ่านมวลมากันเข้าอยากอาหารมาเมื่อนานติดต่อกันได้พอเล็งหันยังสี่สุพันณหล่อเบา ย่อมลืมอยากเขาเ้าแหลงง่ายคนด้าตายมวยหมอดกันได้ต่อตาหันบอดับขันด้วยง่ายเปียที่ร้ายหายดีจุมนารีโลกก้างไผ่บ่ออ่างเตียมตัน คนบอเคยหันแต่ก่อนกันหันดางน้อยอ่อนนองไว้ย่อมมีใจปันบ้าบ่าูกว่าพันภายจุกยืนได้อาปากพอแล้วหากเหมือนเสาอันตันเอาปากไว้ไม่เขตให้แดนนาพระพิตาตนป่อขึ้นใจต่อตั้งวันพอบอหันตันเต้าตนภาพดาวเมืองใด กวนสายใจลูกเตาจักเป็นกเก้าเทวิหันแต่เจ้าปุริวิเตหราชกวนดังนาฏคิงบางร่วมห่อควางแนบข้างรวมเจ้าจังเซวยสีสืบไม่ทีก่อเกลือติดรังเรือนานไปดังสายไหมสอดแซวห้อยรวยแก้วไรเรือง เือสองเบื้องมั่นแก่นเป็นปึกแผ่นเดียวกันเจ้าหอจันวีเตหราชฟังผู้ฉลาดลำนำขับระบำเมียนแล <c oughs> ้วใจพองแผวใจบ้านจริงหืออลังการลายสิ่งของการยิงนำนาแล้วก็จ้าบอกเล่าว่าเต้าสู่เจ้าตั้งลาล มีใจหมายไฟเอือจะคือลูกนอเนื้อใส่ใจเราจักไปบ่จะเอานาังนอลามาปั่นกันเต้าไข่ปั่นเมียนขาดคนผู้ฉลาดครับระบำ ก่อนโอมือตั้มวางเกาลาเต้าเจ้าบัดเดียวแล้วรีบเรยวขึ้นสู่ยังตี้อยู่เมืองตนรีบเรร่นไปไว้ส ham, wieder, probe, on, ึ IR, ita, oh ่งเต้าไทยจุลณีขอยว่วาตีเก่าคือเต้าหูจูภาการส่วนเกวัดอาจารย์ผู้เท้าหูเงินเก้าขีญยาสมนสสาลายแล มันเกิดแผ่กนิงได้ว่าจักสมใจกึดไว้บ่อหอนได้พิษพัน์จริงเรียวปันกลมเก่าไววเต้าเจ้าภาพป ร, ราว่ากันวันดีมารอดไข้ค่าบาดไทยอาจารย์จักน้ำปันนาการกามากตามเต้าหากปันหมยนำไปทวายตันเต้าน ต, า น, ตนภาพดาวมิทีลา กับใจภูมิพญาองอาจคือมโหสถนักภาเจนาบดีจักไขวาติเก่าหือไ้หูวันมากันสองขามารอดในห้องยอดตรงกันจักปะกันแวกไกยับหืไดไอดังใจแล้วนำไปคำคาหือความนาดับขัน บอกคือตันได้ปอกวายนาออกขึ้นหลังเต้าได้ฟังมันเกาวใจจืนเน่าใจบาน <c oughs> จริงมีราจะองการปองขาดอนุญาตตามกรรมก็มีวันนั้นแหละนะเ <c oughs> นตตังขีญาสังวันนาณนวิเศษจาห้องเหตุมโหสถผูกสิบเจ็ด ปูใจเด็ดบาบเศร้าคือเกวัดเท้าอาจารย์ใจสามรญต่ำใจาจะคาเจ้าฟ้าวิเตหราชกับหนอพุทธายศใหญ่จักสมไฟก็นิ่งไม้ คือค่าดิ่งได้เป่าจอยบ่อสมไฟหอยดั่งใจก่อยฟังไปเติียมแทงจักหูแจงไปลุนก่อบังกลมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล